ชาวชาวอย่างนี้ก็ให้พระพิสุสมัมเนรรวมทั้งแม่ชีรวมทั้งอุบาสกอุบาสิกาที่มาประพฤติดีปฏิบัติชอบด้วยตัวของท่านเอง เช้าๆอย่างนี้ก็คาดว่าทุกคนคงมีความตั้งใจการตั้งใจที่จะพึงประพฤติดีปฏิบัติชอบก็ต้องต่อสู้กับความง่วงงงนอนก็จะต้องต่อสู้ต่ออารมณ์ ของตัวเองอย่างยิ่งที่จะฝืนจิตฝืนใจฝืนกายตัวเองจากที่หลับที่นอนกำลังพักผ่อนอย่างสุขสบายเพราะว่าเหนื่อยทั้งกายและใจเพียทั้งหูและตาเพียทั้งปาก จมูกลิ้นกายใจที่เราบากบั่นมาทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันไม่ว่ามนุษย์สัตว์ทั้งหลายมาแมลงน้อยใหญ่ทั้งหลายก็ยอมมีภาระ มีหน้าที่ตามวาระกรรมตามสภาพแห่งรูปนามแห่งกรรมไม่ว่าจะเป็นมแมลงเล็กมแมลงน้อยก็ทำหน้าที่ตามสภาพที่กรรมเป็นเครื่องปุงแต่ง มดก็มีหน้าที่ตื่นมาก็หาอาหารมีหน้าที่สร้างบ้านสร้างหลังสร้างความสามัคคีแล้วก็สร้างหน้าที่ของตัวเองแต่ละตัวก็มีหน้าที่ไม่แตกต่างกว่ามนุษย์ ไม่ว่าจะหมูเห็ดเป็ดไก่กุ้งหอยปูปลาก็ต้องทำหน้าที่ไปวันหนึ่งวันหนึ่งโดยที่ไม่รู้ว่าหนทางนั้นจะไกลแค่ไหนจะลำบากแค่ไหนในการทำหน้าที่ ต่อสภาพของกรรมดีกรรมชั่วก็จะต้องกากกำรเป็นหนึ่งชีวิตโดยที่ไม่ได้อะไรไปเลยกรรมดีก็มีความบริสุทธิ์ก็ไม่มีความฟุ้งซ่านไม่มีอะไรมาเบียดเบียนทางใจเหมือนที่เราได้ทำมัดเช้าวันนี้สรุปแล้ว พระพุทธเจ้าได้บอกเราว่าทุกสิ่งในโลกนี้ร้วนแต่เป็นการเบียดเบียนตัวเองโดยที่ไม่รู้ผิดถูกชัว่วดีโดยที่ไม่รู้ที่มาที่ไปของตัวเองก็คือสติสติคือความรู้ตัว ในขณะนี้เนี่ยเราเพิ่งจะมีสติรู้ตัวรู้ตนมีความสงบเยือกเย็นเข้าไปในใจยิ้มเก้าไว้มองเห็นใจตัวเองเราต้องการให้คนอื่นเห็นใจเราแต่เราไม่เคยได้มองใจของตัวเอง ด้วยสติคือความรู้ตัวในขณะ น, นี้ว่าโอน้องชีวิตเราเนี่ยมนุษย์เนี่เกิดมาเนี่ยก็ไม่ต่างกว่าต่างกับช้างม้าวัวควายหมูเห็ดเป็ดไก่กุ้งหอยปูปา่าเกิดมาเนี่ยตั้งอยู่ไม่ได้ โรปนามก็เป็นโรปนามแห่งสัตว์ต่างๆเป็นบุปกรรมมิบากรรมต่างๆต่างๆน า, นานาที่เรามองเห็นทางตาคำว่าต่างๆก็คือหน้าต่างต่างๆนานาๆก็มีเอาไว้ให้ทำอะไร นาเขาก็มีไว้เพื่อปลูกข้าวทําอาหารเพื่อมาผลิตพวกต่างๆนี่ก็หมายถึงว่ามันก็ไม่แตกต่างกันระหว่างมนุษย์และสัตว์มนุษย์ด้วยกันก็ไม่แตกต่างกันเพียงแตกต่างกันอยู่ที่ความคิด ความฟุ้งซ่านการปรุงแต่งต่างๆที่เกิดจากทางตาตาก็คือหน้าต่างบ้านเรามีหน้าต่างเอาไว้ทําไมเอาไว้เปิดรับลมเอาไว้เปิดเพื่อจะมองข้างนอกแต่ว่าปิดซะมากกว่าหน้าต่าง ไอ้หน้าต่างเนี่ยมีเอาไว้อบะระบายอารมณ์ชีวิตคนเราก็เช่นเดียวกันเมื่อมีตาเนี่ยก็จะต้องเอาไว้ระบายอารมณ์ในสิ่งที่เห็นแต่หาเช่นนั้นไม่หน้าต่างมี มีไว้เก็บข้อมูลเมื่อตามมองเห็นเนี่ยเกิดอารมณ์เมื่อเกิดอารมณ์ก็ปรุงแต่งไปตามสภาพที่มองเห็นอย่างเช่นอยากให้คนอื่นเนี่ยไม่เห็นใจเราแต่เราก็มีหน้าต่างมีตาเหมือนคนอื่น ทำไมไม่กำหนดมองเข้าไปมองไปด้วยความรู้สึกที่แท้จริงเขาเรียกว่าโกหกคนอื่นได้แต่จะโกหกตัวเองเนี่ยมันไม่ได้มองเห็นความรู้สึกของคนอื่นให้เหมือนความรู้สึกตัวเองมันเป็นไปไม่ได้ นอกแต่ว่าเราจะปรุงแต่งด้วยความรู้สึกว่าอยากให้เป็นอย่างนั้นให้เหมือนคนนั้นให้เหมือนคนนี้มองเห็นรถที่ไม่ใช่ของตัวตนก็อยากได้รถมองเห็นคนอื่น ก็อยากให้เหมือนคนอื่นเพราะคนอื่นเขามีในสิ่งที่เราปรุงแต่งอยากได้มันไม่ได้เปิดหน้าต่างเพื่อระบายอารมณ์ระบายอากาศในบ้านเราเรานั้นไม่เคยใช้อุบายนะั่นคือปัญญาก่อนที่จะมีปัญญาก็ต้องมีสติสติก็คือความรู้ตัว เพราะนั้นเราต้องฝึกบำเพ็ญเพียรพยายามฝึกสติให้อยู่กับเนื้อกับตัวนักปฏิบัติทั้งหลายเมื่อเราฝึกจิตของเราเนี่ยให้อยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยโดยที่ไม่ฝักไฟเนื้อตัวของคนอื่น ไม่ฝักสายฝักไฟทรัพย์ของคนอื่นก็คือทรัพย์ภายนอกเราอยู่บ้านเราเปิดหน้าต่างดันไปดูบ้านคนอื่นบ้านเราเนี่ยเราก็ว่ากินอิ่มหลับนอนมีทั้งพ่อและแม่มีพี่มีน้องมีญาติ มีมุง้งมีหมอนมีอาหารมีทุกอย่างแก้วแหวนเงินทองก็มีแต่พอเราเปิดหน้าต่างเนี่ยเราก็ไปฝักไฝ่บ้านอื่นโอ้หนบ้านอื่นเนี่ยเขามีบุญทำบุญอะไรเขาจึงมีบ้านหลังใหญ่ มีรถยี่ห้อดีๆขับขี่มีแก้วแหวนเงินทองมีเสื้อผ้าดีๆใสมีทุกสิ่งทุกอย่างดูแล้วมีความสุขเสละเกินเรียกว่าคนรวยคนมีฐานะหน้าต่างของเราก็ถูกเปิดละเมื่อเปิดเนี่ยใจเราเนี่ยก็ ปรุงแต่งไปตามอารมณ์เขาเรียกว่าอารมณ์ใจคิดแล้วไม่ได้อย่างใจก็รู้สึกว่าเป็นทุกข์เห็นไหมอย่างที่เราได้ทำวัดเช้าพระพุทธเจ้าบอกว่าเมื่อปรารถนาแล้วเนี่ยเราไม่ได้สมปรารถนาเนี่ยมันก็มาเปลี่ยนเปลี่ยนทางใจ ก็คืออารมณ์ทางใจนั่นเองสรุปง่ายๆว่าบ้านเราเนี่ยมีทั้งประตูมีทั้งหน้าต่างปิดมากกว่าเปิดเมื่อเปิดแล้วก็ยังไม่สบายใจเก็บกวาดปัดล้างเช็ดถูทำความสะอาดทุกสิ่งทุกอย่าง บ้านก็ยังสกปกโสโครกก็เพราะว่าเราโกยมันเข้ามาในบ้านเกิดมาเนี้ยไม่มีอะไรติดตัวมาเลยเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็เริ่มมีกางเกงนอกกางเกงในถุงน่องรองเท้าเกิดมาก็เริ่มไฟฟ้าหาเสื้อผ้าอภรหมอนมุง้ง เอามาช่วยตัวเองเอามาห่อหุ้มตัวเองเพื่อจะให้ได้นอนอย่างสบายบ้านเราก็ต้องเก็บกวาดอยู่ทุกวันปุบปะทุกสิ่งทุกอย่างที่มันจำลุดเรามีความต้องการอย่างไรเนี่ยเราก็สไปสแสวงหามากเท่านั้น เอามาไว้ที่บ้านเราต่อซ้ายต่อขวาปะหน้าปะหลังเปิดหน้าปิดหลังล็อกกุญแจใส่กอนเดีย๋ยวเปิดก่อนไขกุญแจเอาเสื้อผ้าอาพร อ, อุปภพบริภพไม่ว่าจะเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นแก้วแหวนเงินทองรถ ที่ดินสิ่งเหล่านี้เนี่ยร้วนแต่เป็นเครื่องอุ ป, ปโภคบริโภคความต้องการก็คือกิเลสก็คือความโลภเมื่อเราเปิดหน้าต่างมองเข้าไปเหมือนกับคนเด็กๆที่เกิดขึ้น ก็ซุกซนวิ่งจับโน่นจับนี่โดยไม่รู้อันตรายว่าสิ่งนี้แหลมอาจจะทิ่มแทงทำให้เลือดออกเสียชีวิตได้สิ่งนี้มันสูงมันต่ำเมื่อพัดตกลงไปแล้วเนี่ยจะทำให้ถึงชีวิตทำให้ถึงบาดเจ็บกระดูกแตกหัก อาจพิการลรือเสียชีวิตได้เด็กไม่รู้เลยสิ่งนี้ร้อนสิ่งนี้เย็นสิ่งนี้ทานได้สิ่งนี้ทานแล้วทำให้ป่วยใก้และสิ่งนี้เมื่อทานเข้าไปแล้วจะทำให้เราตายได้เมื่อยังวัยเนี่ยยังเด็กๆ เ, เราก็ต้องถูกพ่อแม่กัดเกลาวสั่งสอน ให้ตั้งใจจดจำยังถึงก็ขั้นเคียนตีก็มีดุดาว่าห้ามปามสารพัดสารเพเมื่อเราจเจริญเติบโตขึ้นพ่อแม่ก็ห้ามปามไม่ได้เราก็เริ่มเรียนรู้ว่าสิ่งนี้ทำแล้ว ทำให้เราเนี่ยถึงชีวิตเราก็ไม่กล้าทำฉันได้ก็ฉันนั้นชีวิตเราก็ต้องบากบันต่อสู้เรียนรู้ต่างๆนาน า, นาถูกฝึกปือไม่ได้วยกิเลสตัณหาลาคั้จนทำให้เราเนี่ยสับสนอยู่กับพ่อกับแม่ก็ ถูกอบรมสั่งสอนรวมทั้งญาติพี่น้องก็กุ้มลุมอบรมสั่งสอนเมื่อถึงวัยเจริญเติบโตที่จะเรียนรู้กับพ่อกับแม่ด้วยความอารมณ์อรวยจากความเมตตาความกัลุณา เมตตาก็คือความรักจากพ่อจากแม่ที่ยึดติดว่าตัวกูของกูลูกกูกรุณาก็คือความสงสารพ่อแม่มีความรักมีเมตตามีความสงสารว่ายึดมั่นว่าเป็นลูกเป็นเผ่าพันธุ์เป็นเลือดเนื้อเชือ้อไข เข้ารู้สึกเข้าไปอยู่ในใจติดอยู่ในรูปอยู่ในนามด้วยความสมมติต่างๆนานาให้กับลูกปรุงแต่งต่างๆนานาเพื่อให้ลูกเรียนรู้ก็เท่ากับเปรียบเสมือนพ่อแม่ก็ฝึกเราไปกอบไปโกยเอาทรัพย์ภายนอกก็คือการนำลงชีวิต ที่เกิดมาบริสุทธ์เลยไม่รู้ความโกรธมันเป็นยังไงความรักมันเป็นยังไงความผูกพันก็ไม่รู้เลยคลอดออกมาก็ตัวแดงๆช้ำๆฟันก็ไม่มีตาก็มองไม่เห็นหูก็ไม่ค่อยได้ยินร่างกายก็เหี่ยวยน่น หน้าเกียจหน้าจังเวลาถ่ายก็ไม่สามารถจะร้างทำความสะอาดได้หนักเบานี่เราช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จะคว่ำจะงายก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จะเหงะซ้ายแลขวาก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เวลาหิวก็แค่ร้อง พ่อแม่ก็ผัดกันให้อาหารเวลาหลับก็นอนพ่อแม่ก็หม่มสัมภาระหอบอุ้มกอดรัดพัดวีสารพัดยุงไม่ให้ไต่ไ่ไม่ให้ตอบทำกันมาตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดปึกปือเลี้ยงดูกันมา เราเนี่ยมีบ้านหลังเล็กๆกว่าจะสร้างบ้านก็ต้องไปหาอุปกรณ์พ่อแม่ก็จะต้องหาทุกสิ่งทุกอย่างเอามาเป็นที่อยู่อาศัยมันต่างกับแมลงต่างกับสัตว์อื่นๆไหมนกเนี่ยมันก็หาต้นไม้ใช้กากมดมันก็กัดลังทำลัง เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานมันนกหนูงาไก่หมูหมาเนี่ยนักปฏิบัติทั้งหลายรองมองเข้าไปเห็นโลกภายนอกก็ไม่ต่างกับสัตว์เดรัจฉานไม่ต่างกับตัวเราทั้งสิน้นเรียกว่าแตกต่างเท่านั้นคําว่าแตกก็หมายถึงว่าแตกเหล่าแตกกอ่อ แตกเราแตกกอก็หมายถึงว่าแตกต่างกันตามสภาพแห่งรูปนามแห่งกรรมแต่การกากรรมนั้นเหมือนกันแต่ถ้าเราเป็นสัตว์เป็นมแมลงเป็นนกหนูกาไกา่เราไม่สามารถรู้เลยว่าการสร้างความดีเนี่ย ทำไมจะต้องมาเป็นนกทำไมจะต้องมาเป็นหมูหมากาไก่ทำไมจะต้องเป็นสัตว์ที่มีรูปนามอย่างนี้ทำไมเขาเรียกว่ามดทำไมเขาเรียกว่าหนูเรียกว่ากาเรียกว่าไก่เรียกว่าม้าช้างวัวควายหมูเป็ดห่านมนุษย์ ทำไมเขาเรียกว่าคนแต่มีสถานะรูปนามที่แตกต่างกันไปแต่การใช้ชีวิตเนี่ยเราเป็นมนุษย์เนี่ยก็คือดีกว่าสัตว์ต่างๆแต่เมเราได้มาพบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยพึงอบรมขับเก่า มนุษย์ทั้งหลายที่เวียน่หวตายเกิดพระพุทธเจ้าจึงเห็นความทุกข์วัตตะคือความสงสารแปลว่าสงสารว่าคนเราเนี่ยเวียนไหวาตายเกิดผัดกันเป็นพ่อเป็นแม่คนที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยเลี้ยงลูกเนี่ย ก็ไม่แตกต่างกับสิงสารสาัตว์มแมลงที่มองเห็นสิงสารสาัตว์มันก็สร้างที่อยู่อาศัยรักษาเลี้ยงดูลูกหลานของมันเผ่าพันธ์ของมันก็ไม่แตกต่างกับมนุษย์ที่เลี้ยงลูกมีการเสพกามกันต่างๆนาน า, น า, นาน มีการหาอาหารมีการกักตุนขนของทางนอกเข้าเอามาไว้ที่ในที่อยู่อาศัยมันแตกต่างกันตรงไหนนักปฏิบัติทัางหลายแต่ถ้าเราไม่มีพระพุทธเจ้าเนี่ยเราก็ไม่รู้ตัวรู้ตนเราก็ไม่รู้จักที่มาที่ไปของสิงสาราสัตว์ เราจะไม่เกิดวัตตะมีจิตใต้สำนึ ก, กรู้เท่าทันแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเลยเหมือนกับหมูหมากาไก่สิงสารสัตว์แมลงน้อยใหญ่แต่เรามาพบพระพุทธเจ้าได้เกิดมาเป็นมนุษย์นับว่าเป็นสัตว์ประเสริฐกว่าสัตว์ใดๆทั้งสิน้น ที่อยู่ในโลกใบนี้เราได้เห็นความเป็นไปมาของโลกเราได้เห็นกิเลสต่างๆนาน า, นาว่าโอโนา๋นบ้านที่เป็นเป็นทรัพย์ภายนอกก็คือบ้านเรือนนั่นเองแต่ถ้าเรือนเนี่ยบ้านของเราเนี่ย เรียกว่าเรือนในใจก็คือสังขารเมื่อเราสังขารเราเนี่ยประกอบด้วยดินน้ำลมไฟธาตุดินก็คือกระดูกธาตุน้ำก็คือน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเงือน้ำตาน้ำลาย ธาตุไฟก็คือทำให้อบอุ่นมีความร้อนอยู่ในตัวเราทำให้เลือดลมละหมุนเวียนไม่ให้หยุดความเคลื่อนไหวแล้วก็อากาศสาธาตรวมทั้งธาตุลมเข้าไปด้วยพัดวีทำให้เลือดลมหมุนเวียนมีอากาศเข้าไปโดยออกซิเจน ท่านลงนึกถึงสภาพร่างกายมันก็เหมือนกับเราเอาชิ้นส่วนต่างๆนาน า, นานเนี่ยเอามารวมกันเป็นรูปเป็นตัวเป็นตนจากเผ่าพันธุ์ในระหว่างพ่อกับแม่มีการเสพกามกันเมื่อเสพกามกันแล้วเนี่ยโดยไม่รู้เลยว่าจะต้อง อย่างนี้มาก่อนเบืบ้องต้นจะต้องอย่างนี้เบื้องกลางจะต้องเป็นอย่างนี้เบื้องเบื้องปลายเนี่ยก็จะต้องเป็นอย่างนี้ก็ไม่แตกต่างกับสิงสารสัตว์แมลงที่กำลังสร้างเผ่าพันธุ์ของตัวเองมดเนี่ยมีเลือนหมืน่นเลือนแสน ขนอาหารทั้งวันไปหาอาหารทาหน้าที่ทั้งวันทั้งคืนนกหนูกาไก่เนี่ยก็ร้องหากินเลี้ยงลูกเลี้ยงผัวเลี้ยงเมียขอกแล้วขอกเราไก่เป็ดก็คุยเขีย่ยจนเล็บเนี่ยหลุดไปหลายไข่แล้วไข่อีกออกลูกแล้วออกลูกอีก หากินไปวันหนึ่งวันหนึ่งตัวเองก็ไม่พอปากพอท้องยังจะต้องเลี้ยงลูกแดตัวเก้าตัวสิบกว่าตัวเมื่อลูกโตแล้วก็ตีเตะต่อยพี่ต่อยน้องสู้พ่อตีแม่ก็เป็นพันธุ ก, กรรมที่ใครมีกำลังมากกว่าก็จะต้องอยู่เหนือกว่าตัวอื่นๆ ฉันได้ก็ฉันนั้นมนุษย์ก็เช่นเดียวกันใครมีกำลังมากกว่ากำลังก็เปรียบเสมือนกำลังทรัพย์กำลังกายกำลังสติปัญญามากกว่ากันเหมือนองค์สมมาสมุทธเจา้าท่านเป็นลูกเจ้าฟ้ามาหากษัตริย์กำลังทรัพย์ก็ต้องมากกว่าเรา กำลังทางกายบุญบาลมีทางกายก็มีความงดงามสมบูรณ์กว่าเรากำลังปัญญาก็ต้องมีการเรียนรู้สะสมบุญและกุศลมาหลายชาติเหมือนพระเจ้าอยู่หัวของเราก็ต้องสะสมมากไปด้วยทรัพย์มากไปด้วยปัญญา มากไปด้วยวันนะทรัพย์ภายนอกอก็มากมากมายนึกอยากได้อะไรก็ได้ปรารถนาสิ่งใดก็ได้แต่เราเห็นสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันมีบุญนำกำแต่งไม่เท่ากันแต่เรา ม, ามองตัวตนของเราว่าพราะองค์ท่านก็มีความเสียใจ มีความโศกเศร้าอาทรร้อนหาความรักความเห็นใจความดีใจความเสียใจเรามีญาติพี่น้องเนี่ยสองสามคนมีลูกมีเมียเนี่ยครอบครัวหนึ่งก็ไม่เกินส0บคนส1อคนแต่พระองค์ท่านเนี่ยมีลูกทั้งบ้านทั้งเมือง ไม่รู้กี่ร้อยกี่แสนกี่ร้านคนเนี่ยท่านจะมีความสุขมากกว่าเราได้อย่างไรถ้าเราเป็นคนมีสติปัญญาคิดท่านมีรถมากมีบริวารมากท่านจะสุขมากกว่าเราได้อย่างไรขนาดเราอยู่วัดเนี่ยต่างพ่อต่างแม่มาอยู่รวมกัน ถ้าเราไม่มีความสัมมคีเห็นอกเห็นใจไม่ศึกษาไม่อารมณ์อรวยไม่ช่วยเหลือกันเนี่ยเราก็มีแต่ความวุ่นวายมีแต่ความทุกข์ทุกทั้งกายและใจฉันใดก็ฉันนั้นนักปฏิบัติทั้งหลายเมื่อเราเปิดตาก็มองเห็นเห็นโน่นเห็นนี่ เมื่อเห็นแล้วเราก็มองเห็นซับภายนอกเรยลืมบ้านตัวเองก็คือซับภายในก็คือทั้งใจและกายความรู้สึกก็มองเห็นก็เอามาไว้เอาไว้ไว้ในใจเมื่อเข้าใจแล้วไม่เห็นไม่มีความรู้ไม่มีความเห็นใจ สัจจะคือความจริงว่าสิ่งที่เรามองเห็นเนี่ยก็แค่ผ่านมาผ่านไปสิ่งที่เราได้ยินเนี่ยเสียงมันไม่ได้กึกกล้องอยู่ในหูเราอยู่ตลอดเวลาเราก็ได้ยินเสียงนั้นเสียงนี้เนี่ยเช้าๆอย่างเนี้ยจากที่ได้ยินเสียงตัวเองกับคนอื่นสวดมนต์ทวัด เสร็จแล้วก็ได้ยินเสียงหลวงพ่อตาวาหวรรมพอถึงเวลาสัตว์ต่างๆก็ทำหน้าที่ส่งเสียงร้องนกหนูกาไกา่มดปวกที่จะต้องทำหน้าที่ตอนกลางวันมันก็รร่งตื่นทางหูทางตา ม, มาทำไหม่ทั้งๆที่มันไม่ได้มีทรัพย์สิน มีนี่มีศินเหมือนกับมนุษย์มนุษย์ต้องมีหนี้มีศินจะต้องหากินให้กับลูกผัวตัวเมียให้กับลูกหลานนกก็เหมือนกันมันก็ร้องส่งเสียงตอนมันตื่นมันก็จะต้องหาอาหารจะต้องพาฝูงพาพี่พาน้อง พานกที่รู้จักด้วยกันเนี่ยนำพาไปหาแหล่งอาหารจะต้องมีการส่งเสียงร้องส่งสัญญาณทำหน้าที่ซึ่งกันและกันบางคู่ก็มีลูกบางคู่ก็ฟักไข่บางคู่ก็ยังกำลังเลี้ยงลูกวุ่นวายไปหมดก็เหมือนมนุษย์เช่นเดียวกัน แต่พระพุทธเจ้าบอกว่าที่นี่ไม่วุ่นวายหนอะก็ชี้มาที่ใจเนี่ยที่นี่ไม่ขุนเคืองหนอเราก็ต้องมีสติฝึกสติรู้ตัวรู้ตน ร, รู้หลักแห่งความเป็นจริงอย่างที่หลวงพ่อบอก นักปฏิบัติทั้งหลายอย่าปฏิบัติโดยที่ไม่มีความพยายามอย่าเป็นผู้ปฏิบัติเห็นกระโชกกระลาบอย่ากโกยเอาสิ่งของเข้าบ้านเราจนถึงแบกไม่ไหวจนถึงกับเป็นคนบ้าหอบฟาง ชาวนี้เดี๋ยวก็ต้องหอบอาหารเข้าไปในตัวเปิดหน้าต่างหน้าต่างมีรูประตูมีหูเปิดประตูที่จะรับสิ่งปฏิกูลเปื่อยเน่าเปิดหูเปิดตาที่จะฟังตามอารมณ์ที่คิดปรุงแต่งกับโรคภายนอกเรียกว่าทรัพย์ภายนอกกับทรัพย์ภายใน ซึมซับมาจนเป็นไอ้ผู้บ้าหอบฟงังไม่รู้จะหอบไปตรงไหนคนมีทรัพย์สมบัติก็วาดระแวงทิ้งบ้านเรือนไม่ได้คนที่มีตัวมีตนก็นึกว่าไม่แก่ไม่ตายก็พยายามเอาเครื่องมาปะทินโฉมพยายามใส่เสื้อสีนั้นสีนี้ แต่เรามาเป็นพิสุสัมมนเนมแม่ชีมีอยู่ชุดเดียวกางเกงในยังไม่มีเลยบ้านก็ไม่มีรถราก็ไม่มีพี่น้องก็มายุ่งไม่ได้ลูกเมียก็ไม่มีมีแต่เพื่อนสหธรรมิกมีแต่ทายารรมไม่รู้ว่าพ่อใครแม่ใคร พี่ใครน้องใครมาอยู่ร่วมกันด้วยกฎระเบียบก็คือพัฒรรมินยัยพอมาอยู่แล้วก็ศึกษาซึ่งกันและกันอบอ้อมอารีด้วยเมตตาการุณามุติตาโอเบคามีความรักมีความเมตตาบุติตาไม่ฝึกจิตไม่อิจฉาหริสยาให้มองคนอื่นเนี่ยเหมือนพี่เหมือนน้อง อุเบกขาคือวางเฉยอดกั้นอดทนต่อสภาพต่อสภาวะที่มาอยู่รวมกันฝึกฝนตัวเองฝึกสติฝึกภาวนาฝึกทำทุกอย่างเพื่อจะฝึกตัวฝึกตนนั่นเองให้เกิดความชินชินก็แปลว่าชาญชาญแปลว่าอย่างรู้นะ เรียนรู้เพื่อให้มันชินเมื่อมีชินเสร็จก็จะต้องมียานอย่างรู้เรียกว่าจิตวิญญาณเมื่อตัวเราเนี่ยชินต่อสภาพชินต่อการฝึกปลือปลูกพืชเช่นไรก็ได้ผลเช่นนั้นเมื่อชินเราก็เรียนรู้จนเรียนรู้หมดอันนี้ทำแล้วเกิด ให้เสียชีวิตอันนี้ทำแล้วทำให้เราเนี่ยหม่นหมองใจอันนี้ทำแล้วทาให้เราสบายใจเรียกว่าซับภายในยานแปลว่าอย่างรู้เมื่อเรารู้แล้วรู้เหตุรู้ผลรู้เบื้องตน้นรู้เบื้องกลางแล้วก็เบ้องปลายว่าโอ๋โนอเราก็ไม่ต่างกับสัตว์ หรือมแมลงตัวหนึ่งเท่านั้นที่จะต้องเกิดแก่เจ็บตายไม่เห็นจะเกิ ด, กดประโยชน์แค่ปรุงแต่งหรอหนี่ปรุงว่ามีความสุขมีความทุกข์เปิดตาต่างประตูตาต่างมันมีลูประตูมันไม่มีหูปากมันไม่มีหูรูดเปิด ขึ้นเมื่อไรถ้าเราไม่รู้เท่าทันของกิเลสก็โกยเอารับภายนอกเนี่ยเอามาไว้ในใจเมื่อทรับมันมากขึ้นแบกหามภาระกจูงมากขึ้นหนักหนักต่อความคิดก็คือมาเบียดความรู้สึกแค่ความปรุงแต่งคิดนึกเท่านั้นเองทำให้เราเนี่ยเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวหัวเลาะ เดี๋ยวสมหวังผิดหวังเหมือนคนบ้าเลยเรียกว่าไอ้บ้าหอบฟางเช้าๆอย่างนี้ก็ต้องขออนุโมทนากับบรรดาพิสุสงฆ์สามเณรรวมทั้งแม่จีอุบาสกอุบาสิกาที่มาบาเป็นเพียรยังวัดเก่าอิติสุขโตลูกพ่อก็บากบันตั้งแต่เช้า ทั้งวันทั้งคืนจนเสียงก็จ ะ, จะไม่มีนีก็เหมือนพวกเราเลยเพราะเป็นหัวหน้าเขาต้องทำหน้าที่นำพวกเราเนี่ยไปกากกรรมไปปลูกผักลดน้าพรวนดินทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะชดใช้ทดแทนที่เรากินของพ่อของแม่กินของคนอื่น โดยที่เราเนี่ยไม่เห็นกับความเหนื่อยยากลาบากกากกรรมของคนอื่นกับพ่อกับแม่พี่น้องกับมนุษย์โลกโด้วยกันพอเรามอบวดแล้วเราก็เพื่อจะได้ทำทำเพื่อคนอื่นแล้วก็เพื่อตัวเองด้วยที่จะต้องจดใช้กรรมใช้หนี้ตามสภาพที่เราเกิดมาอย่างในน้อยเราเกิดมาเนี่ย เราก็ทำประโยชน์ให้กับคนอื่นก็คือมนุษย์ด้วยกันสร้างโรคที่เราอาศัยที่เราตัดต้นไม้กินผลมมกลากไม้กินพืชกินผักโดยที่ไม่เห็นประโยชน์เลยจากคนอื่นจากเผ่าพันธุ์พืชพันธุ์ทั้งหลายเอามาอุดเอามาปะเอามาบริโภคเอามาเป็นตัวกูของกู ยึดมั่นถือมั่นจนเป็นทุกข์ไม่รู้เวล่เวลาเป็นไอ้บ้าหอบฟางก็คาดว่าท่านทั้งหลายคงจะปิดหน้าต่างหรือจะเปิดหน้าต่างเปิดประตูก็ให้มีสติมีความรู้เท่าทานของสภาวะกิเลส ท, ท่านก็จะรู้สึกเบาบาง สบายใจโล่งใจก็ขออนุโมทนาจเจริญพรนิมนค่อยๆถ อ, อนค่อยๆหายใจให้เป็นปกติแล้วค่อยๆลืมตาเพื่อจะได้กวดน้ำ